ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกบันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาชนกต่อในตอนที่แล้วมายับยั้งเอาตอนที่พระนางจันเทวีได้าสทานาจารย์ใหญ่มาพักอยู่ในบ้านของท่าน ความจริงที่มาได้ก็ต้องอาศัยอนานาจเขาเพื่อินช่วยท่านช่วยนํามาแล้วก็ช่วยนําอาจารย์คนนี้ให้มาพบเพราะว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนดีมีความรักพันนางเหมือนกับน้องแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต่อมาเมื่อพันนางคลอดพระราชโอรส มีรูปร่างงามลักษณะดีผิวพรรณผ่อใสพ น, นางจะให้นามบุตรวา่ามหาชนกชื่อเดียวกับพระเจ้าู่แต่แต่ว่าอย่าลืมนะความจริงพ น, นางยังเป็นสาวเพิ่งจะมีพระราชอรสคือมีลูกชายคนเดียวดีไม่ดีถ้าไปอยู่กับคนอื่น เจ้าของบ้านก็จะเกิดทวงบุญคุณสถาบันนาให้เป็นพัญญาเสียก็ยังได้แต่ถ้าว่าอาจารย์ใหญ่คนนี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมประกาศจมดาประชาชนแลลรกสุดทั้งหลายว่าหญิงคนนี้คือน้องสาวของฉันและก็ให้อยู่อย่างประเภทน้องสาวจริงๆ จ, จัดว่าเป็นบุญหนัก เช่นพระมหาชนกมาตอบโ ต, ต, ตใหญ่ขึ้นมาเวลาที่ไปเล่นกับพวกเด็กๆถูกพวกเด็กๆกางแกท่านก็สู้มีสัยพระโพธิสัตว์นี่ไม่ว่าเกิดชาติไหนเป็นนักสู้ทุกชาติบรรดาเด็กทั้งหลายเหล่านั้นสู้ไม่ได้ก็วิ่งไปบอกพ่อบอกแม่ว่าถูกเจ้าเด็กไม่มีพ่อทาร้ายเอา นิมรนดาท่านหลายฟังและกระโปรดรับทราบว่าพระพุทธเจ้าคนตรัถนาพุทธภูมิในขั้นปรมาทบธรรมีจะมีทั้งกําลังกายมีทั้งกาลังใจมีทั้งกาลังปัญญาพราสร้างสมบุญบา ร, รมีมาม า, มากเป็นอันว่าเมื่อเด็กทั้งหลายไปฟ้อมพ่อฟ้อมแม่แบบนั้น มันเด็กพูดกันบ่อยๆว่าไอ้เจ้านี้เป็นลูกไม่มีพอ่อพระมาหาชนกก็สงสัยวันหนึ่งได้มีโอกาสทีได้ถามพระมารดาว่าคุณแม่จา๋าใครเป็นพ่อฉันสำหรับพระมารดาก็บอกว่า<ม>ก็ท่านน า, ารน์หละลูกเป็นวินดาของเจ้าค้าแรกพระมหาชนกก็เชื่อ แต่เมื่อไปประกาศกรรดาเด็กแทนหลายว่าเอ็งบอกว่าข้าไม่มีพ่อเนี่ยมีมันจริงที่ไหนก็ถ้าอาจารย์ใหญ่ที่พวกเองพ่อแม่ของพวกเอ็งเป็นฤๅษีเป็นพ่อของข้านี่ทำไมเอ็งยังว่าข้าไม่มีพ่อแต่ว่าเจ้าเด็กๆผู้นั้นมันก็ยืนยันว่าเอ็งนันไม่มีพ่ออาจารย์ใหญ่ไม่ใช้พ่อเอง มอถูกยืนยันบ่อยๆแบบนี้เข้าท่านก็สงสัยจึงคิดว่าดีไม่ดีมันดาองเรานี้อาจจะปกปิดเราก็ได้แต่อย่างนั้นเราจะต้องพยายามถามความจริงจากมันดาให้ได้วันหนึ่งพระมาหาชนกคิดอุบายขึ้นมาได้จึงไปหามันดาวันนั้น ในเอ่อทั้งกล่าวว่าวันหนึ่งในขณะที่กําลังกินนมอยู่ท่าคิดจะมันได้นะว่าจะต้องถามมารดาให้ได้ว่าใครเป็นพ่อกันแน่ในบาลีทั้งกล่าวว่าในคันในวันหนึ่งขณะที่กําลังกินนมอยู่สมหายนกได้ถามมารดาว่าแม่จ๋าขอยแม่บอกความจริงกับฉันเถิดว่าใครเป็นพ่อฉัน มันลาก็ตอบว่าก็ถ้าอาจารย์ยังไง ล, ะล่ะลูกอาจารย์นั่นแหละเป็นพ่อของเจ้านี่ดีเนี่ยไปยืนยันมาอาจารย์เป็นพ่อถ้าไปอาจารย์สมัยนี้ดีไม่ดีเกเหมาเอาซะเลยเนะี่ยมันไม่ใเหมาในฐานะเป็นพ่อเหมาฐานะเป็นสามีของแม่ไปซะเลยก็ยังได้หน้าตาก็สวยเพราะว่าเป็นกษัตริย์นี่เนาะ คนไม่มีบุญญาที่การจะเป็นพระบรมราชนีนี่มันเป็นยากแต่ถ้าว่าพระมหาชนกไม่เชื่อที่บอกว่าอาจารย์เป็นพ่อเนี่ยพระมหาชนกก็เชื่อที่ได้ถามท่านแม่ว่าถ้าหากว่าท่านอาจารย์ใหญ่เป็นพ่อแล้วคุณแม่ทำไมให้ฉันเรียกคุณพ่อว่าลวงล่ะ ไอ้ตอนนี้แม่ชักยุงท่านแม่ก็เลยเบี่ยงบ่ายไปบอกว่าก็ถ้าอาจารย์ใหญ่ท่านต้องการให้เรียกอย่างนั้นท่านไม่ให้เรียกพอท่านใ้เรียกวันลงแม่ก็เลยบอกให้ลูกเรียกวันลงท่านมาหาชนกชักสงสัยว่าแม่ในอ้อมแอบใช่แล้วน่ากลัวจะมาลงนี่ไม่ใช่พอ่อพ่อมาเฉลยลง เจีงได้ยื่นคำขาดตัดสินใจว่าจะเอาความจริงให้ได้เจียงได้บอกกับคุณแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่บอกความจริงฉันจะพยายามกัดหัวนมแม่ขาดเดี๋ยวนี้แหละเมื่อพูดแล้วก็พยายามเน้นฟันให้กระชั้นเข้าไปทำท่าไม่แยกัดแต่กัดจริงๆแต่ว่ากัดไม่แรงนะ บอกกับแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่บอกก็ะดิ๊จะกัดให้ขาดเลยคุณแม่เห็นถ้าไม่เป็นเรื่องคิดว่าลูกเรานี่เป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่เ ว, าวลานี้มันเป็นเวลาที่เวลาแล้วที่ควรจะบอกความจริงที่นี่กล่าวว่าลูกอย่าอย่ากัดแรงๆนะแม่เจ็บ แม่จะบอกความจริงให้เจ้ารู้เพราะว่าในตอนก่อนนะที่แม่ไม่บอกก็เพราะว่าเจ้าในเป็นเด็กยังเป็นเด็กเล็กมากยังไม่รู้ที่ในบอกให้เรียกท่านอาจารย์พวกบอกว่าอาจารย์นั่นนหะเป็นพ่อแต่ความจริงอาจารย์ไม่ใช่พ่อหรอกนะพ่อของเจ้าจริงๆนะี่เป็นพระมหากษัตริย์ ปกครองเมืองมิถิลา น, นครแต่ว่าพ่อของเจ้าชื่อว่าอริ t ะเป็นพระราชาทรงพระนามอริ tha เรียกว่า อ, อริ t าชนกออกไปชนช้างกับมหาอุป ร, ราชฌซึ่งเป็นน้องชายเข้ามาแย่งชิงสมบัติพ่อของเจ้าสู้มไม่ได้ได้ตายเป็นไททีรบคือตายเป็นคอช้าง เวลานั้นแม่กําลังตั้งท้องเจ้าอยู่จึงพาเจ้าหนีก็ซัตเกิดเส้เ์ซัดเสียไปในจรมาสยอยู่ก็ท่ า, าจานที่นี่เพราะนั้นว่าเมื่อพระมหาชนกทราบความจริงจากพระเจ้าแม่แล้วนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาพระมหาชนกไม่จะถูกเจ้าพวกเด็กๆ ก, กล่าวหาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อก็ไม่มีความโกรธเคือง ก็าทราบแล้วว่าพ่อคือใครพยายามเล่าเรียนองศ์วิทยาการทุกต่าง ท, ทุกอย่างทุกประเภทเพราะต้องการที่จะกลับไปเอาสมบัติคืนมาให้จงได้นี่คนดีเขาทำกันอย่างนี้นะคนที่เ้าอยากจะครองบ้านครองเมืองแล้วต้องการให้มนตรประชาราษฎรที่อยู่นำหนาจในการปกครองให้เป็นสุข เขาก็เร่งรัดในการศึกษาวิทยาการต่างๆให้จบมีความเข้าใจมีความชำ น, นาญจะได้มีความชฉลาดในการปกครองบ้านปกครองเมืองซึ่งไม่เหมือนกับคนสมัยนี้แต่ว่าคนสมัยนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนบางพวกอยากจะครองเมืองแต่ไม่อยากจะเรียนให้มันจบหาทางเดินข บ, บวนกับสมั่ง ยุยางแกแขงแสยุกให้รำทําให้รัวบ้านเมืองมีอิสรภาพมีความสุขแต่ก็ยุให้แตกแยกแตกคราวสิ่งกั น, นกันสไตรนนลโดยขบวนที่นี่ทำอะไรต่ออะไรทุกอย่างเพื่อคนแตกสามคัคคีคนประเภทนี้เขาเรียกไม่เรียกว่าคนดีเขเรียกว่าคนจางไร แต่ว่าใครจะเห็นว่ายังไงก็ช่า ง, างต่างกับเด็กโบราณเด็กโบราณอย่างพระมาหาชนกกกำลังกินนมแม่อยู่เนี่ยเไม่โตมากเพราะแม่บอกเท่านั้นว่าตัวเองเคยเป็นลูกกษัตริย์แทนที่จะมีมาณนะขาติยะมาณนะถือตัวถือตนว่าตนเป็นลูกคนชั้นสูง กลับทําตนบรรดาเพื่อนในกาญจนดาจะว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อเลยอะไรกระตางก็เลยทําเฉยคิดว่าพ่อเรามีแต่เขาเข้าใจว่าเราไม่มีพอ่อก็ช่างเขาเขาจะว่าอย่างไงก็ช่างตั้งหน้าตั้งเรียนตั้งตาเรียนศึกษาวิทยาการจึงกระทั่งอายุได้สิบหกปีเข้มหาชน ก, ก็เรียนศิลปศาสตร์วิชาการ ต่างสิบแปดประการจบหมดเป็นอนุเรียนจบเร็วกำบรนดาศิตยานุสิทธ์ทั้งหลายและมีความคล่องแคล่วเก่งทุกอย่างทั้งวิชาการรบวิชาการปกครองการคลังกา ร, กา ร, กรเกษตรอะไรต่ออะไรสิบแปดอย่างไม่เรียนหมดจบเมื่อจบแล้วก็ยังไม่พอ บรรดาท่านอาจารย์เลยให้เป็นอาจารย์สอนคนอื่นเพราะว่าจบจริงๆมีความเข้าใจจริงๆมีความเ ฉ, ฉลี่ยฉลาดแม้แต่การรบเวลาซ้อมรบ ก, กันนี่บางทีสามสี่คนผลัดก็ยังย่างทรงตัวได้เพื่อนย่างโซ่ไม่ได้ท่านกล่าวต่อไปว่าเวลานั้นผิวพัยเของท่านสวยมาก เป็นคนสวยผ่องใสเปรียบเมื็ดทองคำความคิดที่จะเอาสมบัติของพ่อมันก็คืนก็มันกเกิดขึ้นมาพอตัวเองก็สวยความฉลายก็ฉลายความฉมายก็มากเพียงแค่อายุสิบกปีเนะวันหนึ่งท่านจึงเข้าไปถามพระมารดาว่าพระเจ้าแม่ อยากจะทราบว่าพระเจ้าแม่จากเมืองมานี่มาแต่ตัวหรือว่ามีสมบัติอะไรติดตัวมาบ้างเพื่อมันได้จึงได้ถามว่าลูกถามแม่เพื่อประโยชน์อะไรท่านพระมหายานนก็ได้กราบทูลพระแม่เจ้าว่าเพราะว่าลูกต้องการจะเอาไปทำทุนได้พยายามจะแก้เอาสมบัติกลับคืนมาให้ได้ เมืมันไดจน้จะไกล่าวว่าที่แม่มาเนี่ยแม่ได้ของมาสามอย่างคือแก้วมาสามดวงคือเป็นแก้ววิเชียนดวงหนึ่งแก้วมณีดวงหนึ่งและแก้วมุกได้ดวงหนึ่งรวมเป็นแก้วทั้งสามดวงด้วยกันแก้วสามดวงนี้มีราคามากหากว่าเจ้าจะไปขายก็จะได้เงินเป็นจำนวนมาก พอที่จะทําทุนสําหรับเอาราชสมบัติของพ่อจเจ้ากลับคืนมาได้สําหรับมหาพระมหาชนกก็ตอบพระมารดาว่าลูกต้องการจะเอาสักเพียงสักครึ่งเดียวพเพื่อแม่เพื่อไปทําทุนไปทําการค้าขายอยาสวรรค์ภูมจะได้รวบรวมเงินทองและของรวบเงินรวบรวมเงินทองและพวกคน เพื่อจะชจิงเอาสมบัติของพระราชวิดากลับคืนมาให้ได้พระเจ้าแม่ก็ทรงททานพระเจ้าอย่าไปค่าไปขายเลยลูกเอาแก้วสามดวงนี่แหละไปขายขายแล้วมันจะมีเงินมากนับเป็นหมืน่นหมื่นล้านแล้วก็ทุนนันนี่แหละส่้งสมภูฐานเท่าแล้วแล้วก็ จะมีกำลังหากำลังรบได้พอพอที่จะทำการรบได้เพราะว่าเจ้าไปค้าขายไปไกลแม่หูแม่เป็นห่วงเจ้าพระมหายนกจึงกราบทูลพระแม่เจ้าว่าท่านเองเนะี่ยท่านไม่อยากจะทำอย่างนั้นต้องการจะค้าขาย เพรอย่างน้อยที่สุดก็ยืดฝึกกําลังกายกําลังปัญญาของตนเสีย ก, ก่อนอยู่ๆเพิยงแค่เรียนจบยังไม่มีประสบการณ์ในการฝึกงานและยังไม่มีประสบการณ์ในการทำมาหากินยังไม่มีความฉลาดพอการค้านี่ต้องใช้สมองมากถ้าค้าไม่เป็นก็ขาดทุนถ้ามีความฉลาดมากก็มีกําไร ในการปกครองบ้านเมืองไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นของที่มีความลําบากต้องมีความเฉลาดรู้เท่าทันสภาพาการเครื่ปวงเดินมีสมองทางเหตุการณ์เสมอการฝึกปกครองเมืองก็ต้องฝึกจากการค้าเมื่ อ, อให้เหตุผลอย่างนี้พระมารดจึงได้ยอมและหยิบเงินมาให้นําเงินมาให้แทนที่ให้แก่ เพรเงินท่านก็มีมามากท่านพระมหาไชนกจึงได้จัด ก, การซื้อของเตรียมการค้าขายจัดสมเภาเตรียมไว้ณนะนะเพื่อจะไปชวนณภูมิเวลาที่จะไปก็ไปร่วมกับบรรดาพ่อค้ามากหน้มากหน้าหลายตาด้วยกันนี่มาตอนนี้บรรดาท่านผู้บริษัททุกท่าน หนังสือเล่มนี้ที่เอามาเป็นต้นฉบับในการเล่าสู่กันฟังก็ปรากฏว่พบเรื่องราวของพระบาลีตอนที่มีความสำคัญหนังสือเล่มนี้ไม่ใส่ลงไปส่อีแม่น่าหนักใจอยากจะขอเร้องบรรดานักปราชญ์ทั้งหลาย ถ้าจะทําอะไรแล้วก็บาลีมีอย่างไงก็ควรจะแปลลงไปให้มันครบเพราะเรื่องนี้เคยเทศมาในสมัยที่เป็นนักเทศเขาไม่ได้ตัดปดให้มันสั้นแบบนี้ใน ก, การทําแบบนี้เป็นการทําลายความดีองค์ขงสมเด็จพปิจนสีมรมศา ส, สาสดาสัมมาสัพพุทธเจา้าที่พระพุทธเจา้าทรงตัดว่าศาสนาของตถาคต ที่จะหมดที่จะสลายไปจะเสื่อมไปไม่จะใครคืนลูกของท้าทายเขตนเองตอนนั้นท่านตัดไว้ฟังไว้แล้วอ่านแล้วก็คิดไม่ออกมาตอนเจอหนังสือที่เขาลอกบัลีมาแล้วก็ตัดตอนที่สําคัญสาคัญทิ้งตอนนี้คิดได้คิดได้แล้ว ว, ององ ว, วันนี่ศาสนาเขงองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วถูกบรทอนลิตรอนอบุบะสมา เปรานั้นมาเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อท่านจัดแจงเรียบร้อยแล้วพระมหาชนกก็ลามันดาเพื่อจะเดินทางพระมันดาก็ให้พรว่าขอเจ้าจนเดินทางด้วยสวัสดิภาพจะคิดอะไรก็เจ้าได้สมความปรารถน า, ม, นา ม, มันดาพระวาอะไรมันดาแปลว่าเจ้ามาหาชนก พอเมื่อพระราชารดาให้พรแล้วก็แถมท้ายว่าเจ้าจงอย่าจองเวรจองกรรมนะลูกนะเรื่องการจองเวรจองกรรมเป็นของไม่ดีสมบัติเมื่อมันเสียไปแล้วก็แล้วกัไปเถิดเรามีกินมีใช้พอสมงครก็พอแล้วพระมาหาจันกจึงกล่าวกับพระมารดา เพียงเท่านั้นว่าอยากจะเดินทางไปเพียงเที่ยวเดียวเพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาและเป็นการฝึกฝนสมองของตนเองและจะขอไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ไปหลายครั้งถ้าไมาอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะในขณะที่ท่านพระมหาชนกจะลงเรือเดินทางไปค้าขายเพื่อประหยัสวรรค์ภูมิ ก็เป็นเวลาพอดีกับที่พระเจ้าโปราชนกซึ่งเป็นพระเจ้าอาซึ่งยึดพระนครไว้ได้กำลังประชวนหนะักตอนนี้ขอพักหนังสือเขาไว้โชคคราวขอเล่าเรื่องพอที่จะจำได้ว่าขณะที่พระมหายนกลาพระมันดาเตรียมการลงเรือในคราวนั้นก็ปรากฏว่า ถ้าเรือที่จอดมันเป็นหาดทรายชายทะเล ก, ก็เป็นธรรมดา <c oughs> ย่อมมีหาดทรายเวลานั้นก็เป็นเวลาที่กำลังท้าทิกก็ไลเห็นวเป็นเวลาใกล้เที่ยงถ <c oughs> ้ามหาชนนกลงเรือจะลงเรือพอดีเป็นการมาเอิญจริงๆมีพระบัจจิกับพระเจ้าองค์หนึ่ง ท่านเดินมาระหว่างกลางแดดจัดนี่หนังสือไม่มีไม่รู้ว่าไปทิ้งที่ไหนนักปราชญาพวกนี้จังไรจริงๆอย่างนี้เป็นการบันรอนความดีของพระพุทธศาสนาแต่ใครเป็นคนแปล ม, มานี่เขไม่อยากจะบอกชื่อก็เรื่องนี้เคยเทศ ขณะนั้นเองพระมาหาจันกเห็นพระประเจกพะพุทธเจ้าท่านไม่มีรองเท้าแล้วก็ไม่มีร่มท่านเดินมาร้อนทั้งข้างล่างและข้างบนท่านก็คิดในใจว่าพระประเจกพะพุทธเจ้าท่านมีความลําบากแต่ท่านเองก็มีรองเท้าคู่เดียวที่กําลังสวมมา แล้มีก้มร่มกันแดดแต่คิดว่าถึงกระไรคนดีถึงไม่จะเป็นรองเท้าใช้แล้วก็ช่างเถื่ยังมีประโยชน์แก่พระพเจคุโธเจ้าจึงได้ถอดรองเท้าเช็ดให้ดีสะอาดแล้วจึงได้นําร่มกับรองเท้าเข้าไปถวายพระพเจคุโธติเจ้าเมื่อพระพเจพุโธเจ้ารับรองเท้าสวมแล้วกางร่มแล้ว และมหาชนณก็กราบลงไปแทบเท้าของท่านแล้วตั้งสัตยาฎิฐานคือขอพอรว่าทาใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอกระผมได้เห็นทำนั้นได้เถิดกรับพระบเจคุณพทธเจ้าว่าให้พรว่าเอวังโฮตุ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าเจ้ามีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นสงความปรารถนานี่บาลีเขามีไว้ตอนนี้แต่ว่านางเสียเล่มนี้ไม่มีมันน่าคิดทำไมฉันไม่ชอบริตรอนคำสอนถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซิ่งก็ไม่รู้น่ารูออยจตั้งใจทำลายาศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครู อยากจะรู้นักว่านักปราชสมัยนี้มีมันสมองไปอะไรกันไปเขาเล่าเรื่องต่อไปหลังจากที่ออกเดินทางคือลงเรือแล้วลาพระเบเชพระเจ้าลงเรือไปแล้วก็ปรากฏว่าในทะเลเมื่อเห็นน้ํากับฟ้าฝั่งมองไม่เห็นเดินทางไปได้ประร ม, มาณเจ็ดวัน เรือก็ประสบเข้ากับมรสุมอย่างหนักเวลานั้นน่ากลัวกรม อ, อุตุยังไม่มีผลสุดท้ายเรือที่มันทุกสิ้นค่าไปโดยสารและโดยสารมาก็อับปางลงท่ำกลางเสียงร้อยคนคลางขบัรดาประชาชนที่โกรธตายแต่ว่าพระมหายนกไม่มีกามเข้าถ้ำคนดิ้นรน เริ่มบนว่าลาบากแต่ประการดใดพยายามมาตัวรอดโดยคิดเสียว่าถ้ายังไม่ถึงที่ก็ยังไม่ตายจึงได้จัดแจงแต่งตัวกินอาหารให้มันอิม่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้น้ำตาลใส่กรดระสงค์กับน้ำผึ้งนี่หนังสือนี่ก็ไม่มีทําไมไปตัดทิ้งเขาก็ไม่ทราบ ท่านใช้อาหารกันนําเพื่อเอาน้ําตาเใส่กรดน้ํำพร่งคล้าวันแล้วกินจนอิ่มแล้วก็นุ่งผ้ารัดแน่นชุบน้ํามันชุบน้ํามันําบ้าผ้านะชุบเป็นน้ํามันนะเพื่อให้น้ํามันกันน้ําไม่น้ําทําให้ผ้าหนักได้แล้วก็ยืนอยู่ข้างสากรโดง เมื่อเรือโครงเคลงใกล้จะควา่าท่านธรรมหานนกก็ขึ้นยอ ด, สดอเสาวโดงพเรือล่มลงก็โจนจากยอดเสาวรโดงห่างาจากที่จะถูกกำลังเรือจมไปได้หมายความไอธรามหัว่าโดดมาไ ก, กล่น้ำมันจะโดดเรือใหญ่ถ้านน้ำดูก็จะจมไปตามเรือ กันโดดไปได้ไกลมากพยายามว่น้ําให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้ตามท้องเรื่องท่านในดัมโบไว้ว่าพระเจ้ามาหาชนกกําลังกําหนดเดินทางที่จะไปเมืองนิสมิทุลาอยู่แล้วเวลานั้นกําลังมุ่งหน้าจะไปเมืองเมืองมิสิลาไปเมืองของพระราชาวิดาก็พอดีเรือมาล่มซะก่อน เพราะามีกำลังแต่เพราะอาศัยที่ท่านมีกำลังมากโดนหายจากที่เรือจมไปประมาณทั้งสิบห้าวัหนึ่งเส้นกับสิบห้าวันี่ไป็นอำนายของโคดิชัดนับว่าเป็นนิยธานี่ไกลามากนับตั้งแต่นั้นมาท่านก็พยายามว่ายน้ำต่อสู้กับคลื่นต่อสู้กับลมโมรสุมอยู่คลื่นใหญ่โยนตัวกระแทก ไปกระแทกมาแต่เทว่าท่านไม่กล้าเข้าใกล้วกเขานะ่ะเอาเสือนี่ทำลุ่มล่ามชกลนหมายความว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นประมาณสิบห้าวันอืมเอาเสือนี่ไม่ข น, นาที่ว่ายน้ำอยู่นั่นเอง ก็พอดีพระเจ้าโพาชนกซึ่งครองน่าู่สมบัติอยู่ที่เมืองกรุงมิถิลามหานครก็เสด็จสวรรคตปรากฏว่าพระเจ้ามหาพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งตอนนี้หนังสือนี่ไม่มีไม่กันแม่หนังสือนี้เลอะเทอะมากถ้าเง้นหน้าขึ้นไปดูอากาศ เห็นพระจันทร์เต็มดวงคิดว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันอมโบสดยังได้เป็นดามอนามน้ำแล้วก็ บ, บ่นปากกันเศษอาหารที่มีอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงตัดว่าพระมาหาสนุกตั้งใจสมาทานอมโบสดศีลความจริงอมโบสดนี่ไม่ต้องไปหาพระก็ได้ถ้าตั้งใจรักษามันก็ได้ให้เล่าเรื่องต่อไป เมื่อจะม า, มาเมื่อพระมหาช น, นกไม่ในมิตรมีการทอถอยพยายามว่น้ำก็เสียกระสนเพร่รอความตายมันจะตายหรือไม่ตายก็ชา่างถ้ายังไม่ตายก็วหามันไป ถ, ถ้าจะให้ตายเมื่อไรก็เชิญตายทั้กล่าวว่าวหาน้ำอยู่อย่างนั้นประมาณได้เจ็ดวันในวันที่เจ็ดเป็นกำหนดวนุมโบสถ ท่านก็พยายามสมาทานโบสุดในการที่พลังว่ายน้ำอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลอยคออยู่ในทะเลนั้นโดยนัดบุญบา ร, รมีแต่ปางก่อนที่เคยบำเพ็ญบา ร, รมีมาเป็นเหตุให้นางมณีมิขลามีความเร่าร้อนจะต้องมาช่วยเพราะว่านางมณีมิขลานี่เป็นเทวดาพระาสมุด ซึ่งท้าวเวสุวรรณบังคับว่าถ้ามีคนมีบุญญาธิการเกิดการอัปางในมหาสมุทรถ้านามณีมิขลาไม่ช่วยนามณีมิขลาจะมีโทษในวันนั้นถ้าเป็นวันมหาอุโบสถนามณีมิขลากำลังเพลินอยู่กับเพื่อนในสวนของพัทเวสสุวรรณ แต่ถ้าว่าวันนั้นนึกก็มันได้่าเอ๊ะนี่เราเผลอไปเจ็ดวันมีใครบ้างเราไม่ที่มีบุญญาดีการที่มีความอับปางอยู่ในมหาสมุทรถ้าบังเอิญมีเราไม่ไปช่วยทันเราจะถูกลงโทษอาระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ยังพบกับนางมณีไม่ขลาไม่ได้ทั้งหมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอลาก่อน เอาไว้พบกันวันต่อไปขอความสดสวัสดีพัฒนนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี